ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธยญาณกำมังนำเสนอเรื่องสมาธิิแล้วกำมังพูดถึงองค์ประกอบหรือว่าคุณธรรมที่พัฒนาสมาธิที่ท่านจำแนกแสดงไว้อีกชุดหนึ่งคือมีห้าข้อด้วยกัน เพราะที่จริงก็ดูดีแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเด่กเพียนแต่ว่ามีวิธีการจำแนกแยกออกไปเพราะตามปกติธรรมะระดับพระสูตรเนี่ยไม่มีลักษณะเป็นปรยายเทศนาเป็นการพูดถึงถนน้นทางที่จะไปสู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งมันก็ถูกทุกสายนั่นแหละ แต่ว่าเวลาคนออกเดินทางนั้นก็ออกในสายใดส า, ายหนึ่งก็ทำนองคล้ายๆกับคนานัดหมายกันมาพบกันที่ท้องสนามหลวงคนทั่วประเทศไทยเนี่ยนักกันมาพบที่ท้องสนามหลวงก็ตัางคนต่างมาตอนขณะเดินทางเนี่ยก็ไม่ไมไ่รู้หรอกใครผิดใครถูก แต่เพื่อมาถึงนี้จุดหมายปทางแล้วก็จะเห็นว่ามาถูกหมดทุกคนตามทางที่ทางไม่เหมือนกันปริยายก็ธรรมะเรื่องนิยัตต่างๆที่ส่งแสดงธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นยันในกรณีนี้ก็ส่งแสดงห้าข้อเขาก่อนโน้นเราก็พูดหาข้อเหมือนกันแต่ตัวชื่อลราไม่ซ้ํำกันเลยแต่เนื้อหาล่ะเนื้อหาเรื่องเดียวกัน จะแสดงว่าก็แสดงกันคนละกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลผู้ฟังซึ่งมีพื้นฐานในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันผู้จ้าประสงค์แสดงยักยายเปลี่ยนแปลงไปตามจริตอัตยาศัยของผู้ฟังในขณะ น, น, นั้นเป็นประการํำกันเพราะงั้นวันก่อนที่พูดเรื่องสมสถะที่แปลความสงบ ตามปกติแล้วคนเรามักจะมองยุติดในเชิงที่เป็นรูปแบบบอกว่านั่งสมาธิที่จริงพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่านั่งสมาธิพระเจ้าทรงใช้คำว่าเจริญสมาธิเป็นภาวนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้เกิดขึ้นบางทีเป็นภาวิตังภาวิตโตอะไรต่ละกแล้วแต่ ก็หมายความว่าทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นเป็นการพูดในแนวงการเพิ่มความดีคือหมายความมาโดยพื้นฐานจิตใจของมนุษย์เนี่ยแต่ละคนก็มีความดีอยู่มากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดเพียงแต่ว่าทำยังไงว่าให้ความดีที่มีอยู่แล้วมีกำลังต้านทานอารมณ์ที่มากระทบ ถึงถ้าเราเทียบเคียงแล้วก็เหมือนกับความรู้ความสามารถเหมือนเงินทองเหมือนกำลังเรียบแรงร่างกายเนี่ยนะครัเบื้อปกติแล้วเราต้องมีเหลือใชท้ทางนั้นหนะ่งมันานานๆนที่จะยกของหนักสุดๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกบางปียังไม่เจอเลยแต่ทีนี้ตีต่างว่าไปเจอเนี่ยถ้าเรายกไม่ได้แล้วทํำยังไงถ้าเราไม่มีแรงทํำยังไง หรือเราต้องการจะไปซื้อของอยันใดยางหนึ่งถ้าเราเตรียมเงินไปไม่พอเนี่ยไม่ได้หมายความเราไม่มีเงินแต่วเงินมันไม่พอแล้วจะทำยังไงหรือว่าที่เราแรงเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งมันเกิดน้ําหลากมาอย่างแรงหรือต้องเดินเดินขึ้นขึ้นไปที่ลาดชันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีแรงแต่ว่าที่ลาดชันขนาดนั้นแรงเรามีพอหรือเปล่า น้ำหลากมาขนาดเนี้ยแรงเรามีพอหรือเปล่าลมพัดมาแรงขนาดเนี้ยแรงเราต้านทานลมนั้นพอหรือเปล่าแต่ต้านตอนพอไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนไม่พอสิมันจะมีปัญหาผละธรรมมในแนวนี้จึงสอนในแนวที่เรียกว่าอบรมกระทําให้มากกระทําบ่อยๆกระทาให้เหมือนกะนัะญาภาณะเป็นที่อาศัยไปได้ตลอด ไปได้ดยความสวัส ด, ดีเพราะในสมนถะที่จริงเนี่ยเราทำงานอะไรก็ตามเคลื่อนไหวอะไรก็ตามอ่านหนังสือเขียนหนังสือทำงานซักผ้ารีดผ้าถูพื้นกวาดขยะทุกอย่างในร่างพท้าโถโอชาเนี่ยมีสติกํากับอยู่ในตรงนั้นมันก็มีสมาธิแล้วเมื่อมีเมื่อมีสติกํากับอยู่กับงานที่เราทานี่ใจมันไม่สายไปหากิเลส ก็แสดงกิเลสมันก็สงบแนวแน่นอนถ้าจะเอาจริงอดจังจนถึงกับบรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็ต้องทำอีกระดับหนึ่งแหละแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าเราก็พบพระเถระเป็นนันมากที่ท่านบรรลุมรรคผลแบบง่ายๆอ่ะก็ไม่เห็นว่าต้องนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอะไรบางทีท่านเดินบางทีท่านยืนบางทีท่านนัง่งบางทีท่านนอน ก็ไม่เห็นจํากัดอิยาบทอะไรอย่างพระอนุ์เถระบรรลุมรุปผลเป็นพระหาน ร, ระหว่างอิรยาบททั้งสี่คือไม่ถึงก็ยืนนั่งหรือนอนหรือพระพายาธรุจิรญาเนี่ยก็บรรลุมรุปผลเป็นพระหานในอิยาบทที่ยืนก็ยืนฟังเทศรัเจ้ายืนกันกลางถนนนั่นแหละหรือบางคนก็ในขณะที่หกลม้ม ไป น, นึกถึงธรรมะขึ้นมาได้ยังโตตั้งตัวอะไรไม่ได้หมดเลยกิเลสมะโกดับไปก่อนปัญหาใหญ่เวลานี้จึงอยู่ที่ปัญหาการระมัดระวังใจคือการทำใจสงบที่พระเจ้าเน้นแต่ว่ามันยากหน่อยนะเน้นในเรื่องสี่เรื่อง คือเราอยู่ในกระแสโลกาภิวัตเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่าอารมณ์ที่มันกระทบเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ปกติอารมณ์ที่มีการปรุงแต่งสร้างสรรเสรเสแสง้งโอ้อวดด้วยยวนล่อลอกโอ้ยสารพัดเนี่ยนะคือถ้าเราไม่มั่นคงไม่หนักแน่นจริงๆจะเป็นไปได้ยากแล้วเราดูที่ภาวะของเด็กที่ เวลาสอบถามเมื่อเธอไปติดยาเนี่ยเธอตอบจนก็เรียกอุพโภคก็ไม่ออกยิ้มร้องไห้ก็ไม่ได้แต่านอกอยากลองเพื่อนก็ชวนกลัวจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้พอเสพแล้วเลยเลิกไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันแต่ทําให้ลืมก็บอกว่าตอนไม่ลืมเรื่องต่างๆกับกลุ่มอะไรเนี่ยคือคือก็คิดอย่างนั้นนะฮะ มันลืมไม่ลืมเนี่ยมันไม่ต้องเอายามาช่วยขนาดนั้นหรอกคนเราไม่เป็นเดียวนึกฝึกนึกมันก็ลืมแต่นั้นเองสัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่โดยสภาพของมันคือความจำเนี่ยไม่เที่ยงอยู่โดยสภาพของมันมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเพราะะวิธีฝึกก็คือว่าอารมณ์ที่มาโยโย่ยยวนยังไงก็ก็ไม่รู้อนะก็แล้วแต่ แต่ว่าทำยังไงเราคุมใจเราไม่โรคอยากได้แม้จะมีการย่วยวนหรือล่อลอกไปผลประโยชน์ต่างๆเราก็ไม่โรคอยากได้แล้วไม่เกิดกำหนัดพอใจติดใจดูข่าวคราวเรื่องราวปัญหาชู้สาวต่างๆเนี่ยเราลองดูเวลาเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายละต่อไป มันจะสันนิฐานซ้ำซากกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วคงเป็นอย่างนั้นทุกทีปัญหาชู้สาวปัญหาขัดแย้งผลประโยชน์กันปัญหาก่อการทะเลาะวิวาทปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาจ้างบ้านะอะไรต่างตตัววิเัตอ่ะเป็นอาการโลกกดลงแล้วมนุษย์ก็สลัดพันธนาการเหล่านี้ไม่ออกแต่ไม่ออกก็ย้ายแน่นเกินไป คือทําให้หลวมห ว, มวือว้หมายความมาไม่ยอมรับเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างไม่เห็นความสำคัญเสียบ้างเฉยเยเสียบ้างหลบหลีกเสียบ้างอะไรต่รเางๆมันก็อาจจะได้ยินเสียงหรือได้ยินภาพต่างๆที่เขามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันแต่เราก็ไม่เต้นไปตามจังหวะเหลนะ่านั้นมันก็ไม่มีอะไรอนะ เราเห็นว่าบางทีเป็นสภาพความอ่อนแอเคยมีนักศึกษามาวิจยาลห อ, อ, อการค้าเธอไปถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคือพิธีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พระใชา้าียกผ่านยักษ์ก็เรานั่งดูแล้วก็ขำๆ ข, ขำด้วยสงสารด้วยนะแต่ก็ไม่หวานอะไรเราก็นั่งนั่งดูเฉยๆสงสารเขาด้วยแล้วก็ เมือกถามว่าทำไมมันไม่มีสติปัญญาที่จะหากินแล้วหรือยังไงแต่ไมไปทำซ้ำเติมจิตใจซึงอ่อนแออยู่แล้วให้มันอ่อนแอมากยิ่งขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็กลายเป็นตันาปปาทานพบมันมีอยู่เป็นพบอยู่ภายในใจแกคล้ายๆกับพวกมีความรู้สึกว่าตัวเองมีร่างทรงมีเจ้าทรงอะไรต่ออะไรเนีน่นันมีความรู้สึกแล้วแกปรุงคิดคิดปรุงไปเรื่อย พอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นอุปาทานอุปาทานก็เป็นเน้นย้ำในความเป็นพบอยู่ภายในจิตแกก็เต้นไปตามจังหวะพระสวดพระอะไรอะไรแกก็ว่า้องแกไปเด็กๆซึ่งคนงนั้นพร้อมจะเผชิญหน้าความจริงแหละพร้อมที่จะดูภาพตัวเองที่มันแสดงอาการกริยาตาทางต่างๆในขณะที่ได้ยินเสียงสวดเนี่ยแล้วมาวิเคราะห์ดูซิว่าทําไมเราต้องทํอย่า เกถ้ามีความเข้มแข็งมากพอมันก็ดูได้นะดูได้แล้วก็แก้ไขปัญหาตัวเองได้ไอการด้อยยุ่วยวนเนีย่ยเราคงห้ามอะไรใครไม่ได้วันแนวธรรมะปฏิบัติมันก็สอนที่ตัวคนแต่ละคนเขามีสิทธิ์ยั่วยวนแต่เราก็ไม่อยากเขามีสิทธิ์ล่อไปผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ไม่อยากไปตามที่เขาล่อ มนอยที่ใจเราเนี่ยเราจะอยากหรือไม่อยากแม้แต่อาหารเขามาวางไว้บนโต๊ะเราไม่อยากกินเราก็ไม่กินห๋ือเราไม่ชอบเราก็ไม่กินเรอเราเห็นเป็นโทษเราก็ไม่กินมันมีปัญญาเยอะที่จะช่วยตัวเองพระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตัง้งแห่งความกำหนัดแม้จะมีการด้วยยุโยโยนหรือที่การต่างๆก็ตา ม, ตา ม, ตามระวังใจอย่าให้ขัดคืน รับแค้นขุนเคืองโกรธเกลี้ยวในอารมณ์ไปที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือระวังใจยใ้ายหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงในการมองเมาหลอกลวงกันด้วยวิธีการต่างๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าประมาท ระ ว, วังใจอย่าให้ประมาทมัวเมาในอารมณ์ที่มันน่าจะประมาท ม, วมัวเมาแหละแต่เราก็ไม่ประมาทมัวเมาแต่การรฏิตัวตื่นนะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นจะทำคนให้ตื่นตัวอยู่ตลอดในเราเนี่ยถ้าเราทําใจได้มันก็สงบอ่ะสงบมันก็เป็นสมถะแล้วสมถะคือสิ่งที่สงบจริงๆเนี่ยคือจิตมันสงบแต่ถามว่าสงบจากอะไร ก็สงบจากกิเลสกิเลส ค, คืออะไรก็คือนิวรณ น, นิวรณคืออะไรก็คือโลกกดลภที่มันเกิดขึ้นกุ่มรุมใจของบุคคลเนี่ยเราสงบความคิดเหล่านั้นไม่ได้เพราะยิ่งสงบมากเท่าไหร่เนี่ยสติปัญญาผลก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะมีความเข้มข้นมากกิขึ้นเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเองตอนจะรู้เนี่ย คือตอนจัสรู้ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก่อนจะขึ้นประทับบนพระแท่นภายใต้ต้นโพเนี่ยท่านได้ฌานมาแล้วได้สมาบัตแปดด้วยทั้งไปนะแต่ว่าตอนใช้ไม่ได้ใช้ทั้งแปดตอนนั้นเนองเพรพอ น, นั่งปรับมันก็สงบกิเลสมันก็สงบไปแล้วต่อไปก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสมถะไอ้ไใยวิปัสนา วิปัสนาก็คือการใช้ปัญญาพิจารณายกจิตขึ้นสู่ประไตรักษ์พิจารณานามารูปหรือขันห้าเนี่ยเป็นทีดตั้งของความยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาเป็นพวกเราพวกเขาเนี่ยพยายามมองเห็นกฎของความเป็นจริงคือหลักการสำคัญของวิปัสนาเนี่ยมันมุ่งกระจัดความเห็นที่ความวิปรารมันไม่ใช่ความเห็นระดับเห็นอย่างเดียวหรอก บางทีเป็นระดับจำบางทีเป็นระดับคิดบางทีเป็นระดับเห็นถ้าเห็นแล้วยุ่งหน่อยคือแก้ไขยากหน่อยแต่ถ้าระดับจำเนี่ยบางทีก็พูดกันง่ายนะทําทำความเข้าใจกันง่ายปัญหาวิยญาให้มันเข้มข้นจนถึงระดับมีความเห็นอย่างนั้นปักใจดิ่งลงไปเลยแล้วจะพูดยากมากเลยเพราะมันจะเกิดอาการความโกรธก็ใน รการรู้ธรรมนาชีวิตซึ่งยังไม่ได้เริ่มทำนะะแต่ตอนนี้ก็ทำไปแล้วมันจะมีพวกลัติฝ่าลุมกงเข้ามาด้วยนะฮะเขาเอามาก็คงจะต้องการให้อตมาวิเคราะห์วิจารณ์กอที่จริงก็ยังไม่อ่านยังไม่ได้ศึกษาหรอกแต่ถ้าเราดูแล้วมันก็เป็นวิถีบริหารกายบริหารจิตระดับหนึ่งเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิต แต่ปัญหาที่เราจะต้องถามเนี่ยหลือถามจิตตัวเองไม่ใช่ไปถามคนอื่นว่าเป็นไงตั้งแต่ฝึกมาเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นยังไงแล้วความโลภมันลดลงไปไหมความกำหนัดทางเพศเนี่ยลดลงไปไหมแล้วมองคนอื่นด้วย ค, ค, ค, ความเป็นมิตรสูงขึ้นไหม่อันนี้คือเนื้อหาสาระนะ นี้หาสาระของลัที่รูปแบบมันไม่ได้แปลกอะไรนะรูปแบบไม่ได้แปลกอะไรแต่เรารู้ที่ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะว่าในโลกเนี่ยที่จริงมันมีสิ่งมีงมชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็มีเรากับเขาหรือว่าพวกเรากับพวกเขาตามปกติโดยพื้นฐานของกิเลสมันจะมองด้วยความเป็นเราเป็นเขาที่ค่อนข้างรุนแรง หรื อ, อย่างเนี้ยอย่างเพื่อนบ้านเราตัว่าอย่างลาวเนี่ยถึงขัดแยง้งอะไรก็ไม่ค่อยแดงหรอกเพราะจริงก็บ้านพี่เมืองน้องแล้วก็ก็เรียกว่าผู้เดียวกันก็ได้แต่ต้องไปเป็นประเทศเดียวที่เราออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีล่างนะกวางกันรูเรื่องแต่ว่าทําไมด้านพมา่าเนี่ยจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเลย นั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาและออดีตเข้ามาผนวกมากเกินไปและคนในปัจจุบันที่มีการศึกษาแลาเรียนกันมามากพอสมควรนะฮะมันก็ไม่พยายามใช่เหตุผลใช้อารมณ์เป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพองของตัวโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นก็จะเดือดร้อนอะไรก้อยฉันได้ก็แล้วกัน ก็อย่างนี้มันก็ลําบากหน่อยอย่างค้าขายสิ่งที่มันทําลายเพื่อนบ้านตัวเองทําลายจิตวิญญาณเลยนะฮะทำลายระบบสมองระบบประสาทเลยมันสังคมเราในถูกทําลายแต่ใครหนึ่งร่ํารวยเนี่ยในขณะที่เราถูกทําลายเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนนถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาคิดมาพิจารณา มองกลับไปง่ายๆนะฮะถ้าว่าเขาทำแกเราล่ะเราจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเราไปดูพม่าเนี่ยการศึกษาของพอม่าหรือโดยด้านาศาสนานี่เก่งกว่าเรานะฮะเป็นครูบาอาจารย์เราเลยแหละทางด้านอภิธรรมอย่างเจ้าคุณพรมลีที่ท่านไปตายที่มอตามากเนี่ยเราก็ไปศึกษาจากอาจารย์ อาจารย์พม่าในเรื่องอริธรรมนี่เก่งมากมีความรอบรู้แตกฉานแม้แต่ที่ท่านวัดทามาโอทางฝั่งเหนือเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะแต่ว่าทำไมาความคิดกวาอ่านมันแรงด้วยกนะันนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าจิตมันไม่ส ง, งบมันมีแต่ปัญญาปัญญาเหล่านั้นถึงปเป็นปัญญาระดับเรียนรู้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทางจิตนี่เขาก็ไม่ถือว่าปัญญา เพราะว่าถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันไปมองกันที่จะมองเป็นเราเป็นเขาก็มองเป็นเราก็พวกเราแล้วก็ของทั้งหลายเนี่ยมองเป็นของเราก็ของพวกเราก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ากิเลสมันลดลงไปอาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิอะไรเลยก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้ แล้วคุณจะเป็นลัทธิอะไรก็ว่าไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรอะ่ะคือแนวพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่แนวเอาตัวเองเป็นศูนย์แต่เอาสิ่งนั้นแหละเป็นศูนย์เอาวิธีการอย่างนี้ยทํำแล้วมันเป็นยังไงดังนั้นให้ลองสังเกตว่าเรายอมรับยกย่องศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายนอกพระพุทธศาสนานักปราชญ์โบราณ ที่ท่านว่าไว้ท่านสอนไว้ท่านให้สติไว้ถ้ามันถูกต้องเราก็ถูกต้องนะพิสูจนได้ก็คือคือถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกเดียวเป็นพวกถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นคือทุกคนก็ถูกต้องแต่เป็นการถูกต้องระดับใดวันเวลามีพูดมีการแสดงกันเนี่ยก็คือจริงคือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแต่มาอาจจะเป็นคนที่มองอะไรเห็นประโยชน์ ก็มีครามหนึ่งได้รับวควมสั่งจากผู้ใหญ่ให้เทียบเคียงพระอรมราชาวาตัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2511เนี่ยนะกับพระพุทธศาสนาสุภาสิบแบ่งให้พระสามรูปทำกันก็เรียกว่าหนังสือหนึ่งเล่มนะแบ่งเป็นสามส่วนอาตอมาก็ทำส่วนส่วนสุดท้ายส่วนหลังสุด เราทำพักเดียวฮะได้เสร็จแล้วแต่กว่าเาสององค์ยังไม่ได้ทำเลยท่านบอกว่าไม่เห็นมันตรงกับธรรมะเข้าไหนคือมันไม่ใช่ตรงคาต่อคาเราไม่มีใครเดียวพูดได้ตรงคำต่อคาได้เราแต่เนื้อหาสาระนี่มันตรงหรือเปล่าตรงกันก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็อยู่ที่การมองอยู่ที่การคิด แล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คิดแบบแตเตลเออแต่คิดแบบมีกฎเกณฑ์เข้าไปจับมันมีมาตรวัดต่างๆเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใครสอนก็ตามนะแต่วเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลงธรรมะมันเพิ่มขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ระยะยาระยะสั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีเนี่ยมันมันกิเลสมันเพิ่มไม่ใหญ่คือธรรมะมันเพิ่ม แล้วก็ดูกิเลสลดแต่มันเกิดไปเพิ่มที่อื่นนะกิเลสมันไปเพิ่มที่อื่นมันไม่ได้เพิ่มตรงนั้นนะเช่นสมมติว่าเราจเจริญกรรมฐ า, านในสำนักใดสำนักหนึ่งเนี่นนะเราก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้สมาธิเราจิจมมตใจสงบแต่พระอื่นนอกจากครูบาอาจารย์เราในเราไม่ไหวเราไม่นับถือเราก็นึกว่าเราเก่ง แต่ที่จริงนั้นแสดงว่าไม่ได้ผลมันเกิดอะไรล่ะมันไปลดไปลดมานะไปไม่ได้ไปแต่ลดกิเลสในส่วนในส่วนตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคือมานะเนี่ยมันไปลดแต่ว่าลดเฉพาะอาจารย์ตัวเองคือกราอาจารย์ตัวเองโดยความเคารพเรื่องทุนแต่พอเห็นคนอื่นเมื่อเกิดปฏิฆะคือเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอติมานะคือดูหมิน่น แล้วก็มาหน้เราก็ด้างขึ้นมาน้าก็เกิดทือตัวขึ้นเงนที่ได้เนี่ยไม่คุ้มกับเสียคือกิเลสที่มันเกิดใหม่เพราะอาศัยการได้สิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันมากกว่าผลจากสมาธิผลสมาธิในลักษณะ น, นั้นมันก็เป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดเรทําไปแล้วกิเลสมันฟูขึ้นแต่ที่กิเลสมันจะลดลง แล้วเนี่ยประกาบเป็นเกณฑ์เป็นมาตรวัดเป็นเครื่องเทียบเทียงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนได้เราจะเห็นว่าถ้าเราเระมัดระวังใจตัวเองได้ดังกล่าวมันยั่วยวนให้เกิดความกำหนัดได้เกิดความโลภเราก็ไม่กำหนัดไม่โลภแต่เราห้ามเขาไม่ยั่วยวนไม่ได้หรอกเขายั่วยุแต่เราไม่โกรธมันก็เรื่องของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยั่วยุ แต่เราก็มีสิทธิที่จะไม่ถือสาความกับการรู้จักก็อาจจะมอมเมาด้วยวิธีการต่างๆซึ่งก็มีคนลงไหลไล่ปลื้มเชื่อถือไปแต่เราก็ไม่ไหลไปตามหรือบางครั้งบางคราวก็ทำให้เราขาดสติขาดเพลิดเรอขาดหลงลืมประมาทเราก็ไม่เป็นไปไปตามนั้นก็แสดงว่าใจเบสงบในขณะนั้น เพราสมาธิหรือสมาธานี้ที่จริงเป็นเรื่องชีวิตประจําวันคือการครองชีวิตอย่างมีสติมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมตัวเองอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความซึ่งอบประดับหนึนง่งทั้งฝั่งทั้งหลายในรูปปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญกองงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี